بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد رسوله اللهم u ف ك ه في الدين و وعلمه التأوين اللهم إننا نسألك ع ِ ن ْ م ن ا ن نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอ mm ัลลอสุบฮานาูตะลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมอ่านอัลกุรอานกันทุกท่านนะครับอัลฮ mm ัม hmm. ด mm ุลิลละก่อนอื่นก็ขอชุโกต่ออัลลอสุบฮานหูตะลานะครับทำให้พวกเราได้มีโอกาสมาสะสมคุณงามความดีเห็น mm hmm. แล้วก็ทำอิบาดะ ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือการเรียนศาสนาเพราะแหล่งที่มาของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับอันดับหนึ่งเลยก็คืออันกุรานนั่นเองนี่เราเข้าถึงที่มาของศาสนาของเราเลยก็คืออันกุรานและในตับซีดการอาธิบายกุรานนั้นก็ยังมีการใช้ฮะดีษคำพูดของท่านรอซูลสุลลัลฮลฮสัลัลลัมเนี่ยมาขยายด้วย นะดังนั้นการเรียนแบบนี้ถือว่าเป็นการเรียนที่มีประโยชน์อย่างมากนะและพกเราก็ไม่ได้แค่ฟังอย่างเดียวทำอะไรด้วยอ่านกุรอ่านกันด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ความหมายกันด้วยอัลฮัมดุลิลละถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับเริ่มต้นที่ฟาติฮะนะครับเริ่มต้นที่ฟาตีฮาก่อนนะครับพร้อมกันนะ อาบูดุล ل อฮฺมินอฺ ا ฺชัยตานุรร ا ل ل ه م สมิล ي าฮฺอฺลลอ م ฺมานุ ل รหิม a l h a m d u l i l l a h i l l a b b ا ل a l a อัลราะห์มานีอัลราฮิ م ม ال ك ก يوم ิดดินอีย ك งกะน้าอับดุวะอียังกะนัสต اعين ดินาศรัตอัลมُสตักิมศรัตอ ر ล ا ط َน ل َّอِ ي ن า أ ต ن ْ عليهم ไَ ا ا ل มَّูบอّลลَ มีอายะที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับอ้างุบิลลาฮิมินัลชาอีตนิรรจีมย้ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ท่า د ُ و ن َการอะไรท่านจะทำให้พระเจ้าทรงเห็นคุณค่ ن ของพ ب ِ ي ن ً ا ف ي ن في ا ل د ر ك ل س ف ل م ِ ن النار. إن المنافقين في الدار ك ا ل س ف ل م ن النار. ولا تجد لهم نصير. ด้วยผู้ ت َ่ละทิ้งศีลธรรม และอัลลอฮ์ทรงดินาห์พวกเขาให้แก่พระเจ้าดกเาจึงหมอนผู้ศ ทิลล่าฮุ م มุเอมินีนะอัจร์นอาซีَาวะซัล م ปย์ทิลล่าฮَุมุเอมิَีนะอัจร์นอาวีมาไม่ย่ำแย่ล่ะَะบีอาดับบิคุมอิช ر กร์ตุมวะ ว่ ا كان الله شاكر عليما อะ <آ ه, S 2> มาดูความหมายนะครับยาไออยูฮั ا أ ลละดีนะแอมันูโอบรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายอัลล่า์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาใช้ทำอะไรครับและตัดตาขิดุลกาฟิรีนาอูลียะ จงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรครับว่ามิตรตรงนี้เป็นมิตรแท้เลยนะมิตรแท้นะเขาเรียกว่าเพื่อนตายโดยไม่เอาผู้ศรัทธาทั้งหลายมินดูนินมุมีนีนคราวนี้ในการครบค้าสมาคมเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะมีระดับของมันไม่ได้หมายความว่า คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกไม่ได้เลยบางคนพอเจออา ญ, ญานีไปเลยเธอกระชัน้นเนี่ยเราไม่คบกันแล้วนะทาไมอ่ะอ๋อเธอกับเฟสฉันมุสลิมตายพี่น้องเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนที่มีความหลากหลายนะเขาเรียกสังคมพหูวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะมุสลิมที่อยู่ประเทศไทย แต่คราวนี้เนี่ยที่ศาสนาเตือนเราก็คือว่าเราอย่าได้เห็นคนที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยดีกว่าคนที่เขาเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเคยเจอคนที่เป็นมุสลิมที่ชื่อแต่การปฏิบัติอาจจะบางครั้งไม่น่าคบเลยนิสัยไม่ดีชอบนินทาชอบว่าร้ายชอบเสียบข้างหลังชอบตีตัดขา นะอิจฉาริษยามันก็มีเออแล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราเจอคนต่างศาส น, นิกที่เขามีมารยาทแบบมิสลามสื่อสารตรงเวลาพูดจาไพเราะก็มีเออไม่ได้แบบว่ า, าโอ้โหมันจะทุกอย่างที่บอกว่าเป็ น, ป น, ม, ปนมุสลิมปั๊บจะดีทั้งหมดมันก็ไม่ใช่มันก็จะมีหลายแบบแต่ถ้าเราเทียบกับมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยที่มารยาท ด, ดีที่ความเพียบพร้อมที่เขาจริงใจกับเราเขาไม่กลา้าแม้กระทั่งจะพูดจา ไม่ดีกับเรากับคนรับหลังเนี่ยแสดงว่าเขามีความเกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮฺบะฮันนฺหัวตาแล้วเขาไม่ได้รบคบเราเพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างเดียวเขาคบกันเพื่ออัลลอฮฺเขาก็จะมีแต่การให้นวะความรู้สึกดีๆเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความผูกพันแบบเนี้ยเขารู้สึกเกรงใจแต่เขาไม่ได้มีคําสั่งจากพระเจ้าว่าเฮ้ยคุณจะต้องไม่ทำหนึ่งสองสามสี่แต่มันเหมือนเป็นมรารยาทกฎเกณฑ์ทางด้านสังคมว่า เพื่อนที่ดีต้องมีอะไรบ้างเขาก็เอาขอ้ขอดีๆที่เป็นที่มาจากอิสรานั่นแหละอึะ่งภาอาใสการช่วยเหลือเผื่อแผ่กันเขาก็เอามาตรงนี้มาใช้แต่มันไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนคนที่เป็นผู้ศรัทธาคราวนี้ในกุรานอันเนี้ยที่กำลังพูดเนี่ยคำว่ากาฟิรีนเนี่ยหมายถึงกาเฟตที่เป็นซิมเป็นไม่ใช่ซิมมี่นะเป็นกาเฟตที่เป็นฮาร์บีด้วยที่เป็นมุนาฟิกหรือเป็นกาเฟตที่จ้องทาร้ายอิสลามด้วย ไล่มุสลิมออกมาจากเมืองมักกะแบบเนี้เป็นศัตรูอ่ะพูดง่ายๆไม่ได้เป็นกาเฟสที่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นกาเฟสที่สามารถที่จะคบค้าสมาคมได้คนละเรื่องกันอัลลอ์บอกว่าอะตูรีดูนะอันตะจาลูลิละฮิอาเลกุมซุนตอนามูบีนะเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์นะเจ้าต้องการที่จะให้อัลลอ์มีหลักฐานอัชชัดเจนนะ จัดการแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือก็เป็นการให้เป็นการขูส์สทับอีกทีหนึ่งว่าอย่าคิดนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะจัดการพวกท่านไม่ได้คำว่าคำว่าสุนตอนตรงนี้เนี่ยหมายถึงมีอ่าสุนตอนตรงนี้นะครับหมายถึงว่ามีอำนาจอ่าถ้าเป็นเป็นผู้ปกครองแต่ไหมายถึงว่าพระองค์นั้นมีอำนาจในการที่จะจัดการพวกเจ้าอย่างแน่นอน นะครับอะต่อมาพูดถึงมุนาฟิกีนละกาเฟตบอกไปแล้วนะกาเฟตที่เป็นประเภทเป็นศัตรูไม่ได้คิดละคิดดีกับมุสลิมเลยอันนี้เด็ดขาดนะครับต่อมาอินแนนมูนาเฟกีนมุนาฟิ ก, ฟ ก, ฟกตรงนี้ก็หมายถึงมูนาฟิกที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เลยนะซ่อนความเป็นกูฟตดไว้ในหัวใจฟิดดารกิลอัสเฟลีมินันานารอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ย ที่กับกอกเนี่ยจะอยู่ในชั้นต่ำสุดของนรกนรกเนี่ยนะครับยิ่งลึกการลงโทษยิ่งอะไรยิ่งรุนแรงยิ่งหนักนะยิ่งมืดยิ่งร้อนและในทางตนกันข้ามกัรสวรรค์ยิ่งยกระดับขึ้นไปยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีดารอจเจภาษาอับเรียกว่าดารอจเจส่วนนรกเรียกว่าดารกา อ่าม่เหมือนกันนะดาร์กัสนะครับดาร์กัสดารจัดารกันะครับนะคล้ายนะๆกันแต่ว่าอ้ น, นี้มันต่ำาอั น, นี้มันสูงอ่อัลลอฮดกยกดารา์รัตเราเคยได้ยินไหมภาษาไทยเนี่ยอัลลอฮ์ยกดารา์รัตท่านเออมันคืออะไรอะ่ะคือยกระดับดีขึ้นให้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นในสวรรค์ก็ได้ยกระดับขึ้นไปในสวรรค์ชั้นที่มีความดีกว่า มีความเพียบพร้อมมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยพี่น้องนะแค่ได้ผ่านประตูสวรรค์เข้าไปนี่มันก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วอหมแต่แน่นอนว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมกับคนที่ขนขวายคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์คนที่ทุ่มเทอ่าทั้งหมดเลยในการทําอิบร า, ากิมอัลลอฮ์แน่นอนเขาคงไม่ได้ได้เท่ากับคนที่ทําบ้างไม่ทําบ้างนะเออนี่ก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเรา นะแต่จะเป็นการเฟดหรือจะเป็นมูนาฟิกเนี่ยถ้ายังไม่เสียชีวิตถามว่าประตูในการกลับเนื้อกับตัวเปิดไหมเปิดอยู่ครับเอาล็อจึงกล่าวต่อว่าอินแลนลดลล์ลีนอกจากบรรดาผู้ที่ตาบูตาบูตรงนี้ก็คือเตาบ้าแปลว่ากลับเนื้อกับตัวกลับใจสำนึกผิดนะวอสลาหู แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่เงินไขในการเตาบัตรเนี่ยต้องไม่ไม่อยู่แบบเดิมนะต้องมีการปเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมื อ, เ, อเขาเขาภาษาไทยก็ใช้คำสวยนะหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอะไรล่ะเพราะหลังมือมันจะดำส่วนใหญ่นะหลังมือเนี่ยดำนะหน้ามือมันขาวของฉันแดงเลยเออมันเห็นชัดหน้ามือกับหลังมือเนี่ยนะ แล้วก็ทำยังไงวะตอสอมูบิลาแล้วก็อิสติกอมะแปลว่าอะไรยึดมั่นรักษาความดีอย่างเงี้ยให้เป็นในระดับแบบเนี้ยตลอดไปบางคนเนี่ยกลับตัวอัมดิละมาแล้ะอัสลาฮูปรับปรุงตัวได้สองวันอ่ามันมันมันต ก, ตกมาตายตรงนี้แหละประมาณห้าวัน บางคนเดือนหนึ่งบางคนกลับมาจากฮัต ด, ดีอยู่เดือนหนึ่งนะที่เหลือเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นนะดังนั้นคําสุดท้ายที่อลล่าบอกคือวะตาสอมูต้องเป็นไงต้องยืดยืดมัน่นยืนหยัดยืนได้ยืดระยะให้ได้ยืนระยะให้ได้นะทําทให้มันต่อเนื่องให้มันตลอดไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายอ่ะทำดูแลกีช่วยเนี่ยภาษาไทยกีอ่าเดี๋ยวไทยกีตัด ผู้ช่วยผู้ช่วยฉันอานคำตัวลิลละว่าอัสลาหูดีนะมลิลลาอ้าวทำดีหมดเลยแต่บางคนเนะี่ยมีจุดประสงค์แอบแฝงมะนอนกระแฮมกระแฮมและ <c oughs> ลูกดูแล้วเว้ยถ้ามันทำตัวแบบนี้เดี๋ยวมะวะกับหมดเว้ยเดี๋ยวมะให้ตตยิมมัมหมดยุ่งแล้ว เห็นปึกเรียกตัวอีมัมมาแล้วเนี่ยที่ดินแถวสุขุมวิทเนี่ยจะยกให้สุราอแล้วไม่ไหวลูกมันยังไม่เล่นมันยังไม่เลิกยาเดี๋ยวมันได้ที่ดินไปเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันยิ่งเละเทะฟังอาจารย์เขาแปลแล้วซับมันจะกลายเป็นบาปทํายังไงอะ่ะตับเตาบัตรตัวแล้วกับเนื้อ ก, กับตัวนะมะฉันเปลี่ยนแปลงแล้วนะที่ดินเหมือนเดิมนะมะนะให้ฉันนะเออกับตัวแล้วมาอ่านกูจอ่านให้มะฟังทุกวันเลยไปสุรงสุรา วะตาซีมูโอ้ยยึดมัน่นทำดีมาตลอดพอมะตายเท่า น, นั้นแหละรู้และไอที่จุดประสงค์นี่ไม่ใช่เพื่ออารอลเลยหวังอะไรหวังที่ดินสุขวิตอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คืออารอ์ Allah รับไหมเนี่ยวะาอะไรนะวะอัคลาสูอิคลาสกลอาวรัไม่ไม่ไม่ได้ทำเพื่ออาลอลพัฒนเพื่อหวังผลประโยชน์กับมนุษย์มีไหมล่ะบางคนเนี่ย เวลาสัญญาว่าจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงจริงนะแต่มันมีข้อแรกเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เมื่อข้อแรกเปลี่ยนได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสัญญานี้ก็จะหายไปอหมเปลี่ยนแล้วดังนั้นตรงเนี้ยที่มันจะทำให้เราเนี่ยยึดมั่นกับอัลลอฮ์ได้นานก็คือความบริสุทธิ์ใจในศาสนาทำเพื่ออัลลอฮ์เฟอูเลอีกมาลมุมินนนะ อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าไงคนเหล่านี้แหละนะเขาก็จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาแสดงว่าเพื่อนสมมติคนเมื่อกี้ที่ฉันบอกมืก่อกเรเล่นยาเนี่ยพอเวลากลับเนื้อกับตัวเนี่ยเพื่อนที่เล่นยาด้วยกันไปแล้วไม่อยู่แล้วเขาก็จะมาอยู่กับจะมะที่เป็นมุสลิมมาเรียนกุรอ่านมาฟังศาสนาเห็นไหมมันเป็นการคัด คัดเลือกเนะี่ยเป็นการคัดเลือกจากอัลลอฮ์นะครับดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยพี่น้องนะ่ผ่านการคัดจากอัลลอฮ์มาแล้วที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราได้ผ่านการคัดมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกสรรเราให้เรานนั้นเป็นผู้ที่ได้มาเรียนศาสนาเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่า ว, าวะซัฟายุติลหุลมุมีนีนะาจารอนอัลีมาและอัลลอฮ์ก็จะประทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายคราวนี้เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดียึดมั่นทำความบริสุทธิ์เนี่ยจะมีคำว่ากาเฟตอยู่ไหมไม่มีแล้วนะห้ามไปเรียกอีกแล้วนะคือจบแล้วมูนาฟิกแหะมีไหมไม่มีแล้วทุกอย่างจะกลายมาเป็นคำเดียวกันหมดเลยก็คือคำว่ามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายอ่ะอัลลอ์พูดประโยคนี้นะ อัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราในอายะฮ์ที่ร้อยสี่สิบเจ็บอกว่ามาเยฟอัลลลอฮูบีอาลเดบีกุมอัลลอฮ์จะทำการลงโทษแก่พวกเจ้าทำไมอัลลอฮ์ถามว่าพระองค์จะลงโทษทำไมเพื่อความสะใจของพระองค์อันหรอหรออัลลอฮ์ลงโทษเพื่อความสะใจหรอไม่ใช่ถ้าหากว่าเงื่อนไขนะ เราจะไม่ได้รับมัฟุมุคอะลาฟาความเคลื่อนความหมายตรงกันข้ามก็คือเราจะได้รับความปลอดภัยจากอาซาบของลออย่างแน่นอนถ้าเรามีสองเงื่อนไขอินชกากรตุมหากว่าพวกเจ้านั้น <c oughs> รู้จักที่จะขอบคุณอัลลอฮ์สำนึกในบุญคุณของอลอวะอามันตุมแล้วก็ศรัทธาต่อลอ คำว่าชะก้าตุ้มเนี่ยแปลอีกคำหนึ่งก็ได้นะแปลว่าการันยุก่อนหรพ่อแม่มีที่ไหนครับว่ามีพ่มีพ่อแม่ที่ไหนบางที่จะไม่รักไม่รักลูกที่การันยุถ้าลูกคนนั้นเน่ยเป็นคนที่กตันยุรู้คุณดูแลย่อดูแลมะอย่างดีเลยถามว่ามีพ่อแม่คนไหนเกลียดมัง้งไม่มีหรอกแต่วันนี้ที่พ่อแม่ต้องตีเราก็เพราะเราดือ้อใช่ไหมที่พ่อแม่ต้องน้ําตาไหลก็เพราะว่าเราดือ้อ นั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนลงโทษลูกเพื่อความสะใจเพราะเขามีความรักแต่อัลลอฮ์รักเรามากกว่าพ่อแม่ของเราเสียอีกอ่าอัลลอฮ์นี่ยรักเรามากกว่าพ่อแม่เสียอีกนะครับพะมีหะดิษฉันเคยเล่าไปแล้วว่าวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินหาในกองเฉลยมองหาลูกตัวเองจับคนนั้นจับคนนี้นะคิดถึงลูกจนกระทั่งมาถึงเจอลูกพอเจอลูกปั๊บก็เอาเข้าเตาเลยร้องห้าใหญ่เลยพักผ้ากับลูกนะแล้ว น บ, บีก็ถามซอบ้าว่าคิดว่าแม่คนนี้จะสามารถโยนลูกตัวเองเข้ากองไฟได้ไหมอัลลอฮ์จะโยนอะไรแต่ตามหามาทั้งวันแน่นอนว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากน บ, บีจึงบอกว่ารู้ไหมว่ามีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าแม่ที่มีต่อลูกคนนี้ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเรามากกว่าแม่ที่รักลูกคนนี้ซะอีกนะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะลงโทษพวกเจ้าทําไมล่ะหากพวะเจ้าเป็นคนที่สกัดตุ้มวาอามันตุม้มเป็นคนที่กระตัญยูรู้คุณต่อพระเจ้า และเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์วกานัลลอฮูชากีรอนวกานัลลอฮ์วกานัลลอฮูชากีรอนอาลีมาและปรากฏว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงขอบคุณนะและก็เป็นโปผู้ทรงที่รอบรู้นะครับคำว่าตรงนี้ก็หมายถึงอัลลอ์จะตอบแทนคุณงามความดีของเราทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะครับสองอายะ لا يحب الله الجربي من القول إلا من ظلم ว่าน ا ن ล ا ห ل َّมี س ันِ ي ع ً ا عَلِيمًا وَكَانَ ا ร ل َّ ه ُ سَمِيعًا عَلِيمًا إ ِ ن รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร ع َ ن รรรรร فإن الله كان عفوًا قديرًا อ่าอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบแลอยู่ให้อัลลอฮ์ไม่ชอบไม่ชอบอะไรอาจจะรอการ ใช้เสียงดังในคำพูดที่ไม่ดีแต่ถ้าบรรยายและเสียงดังอันนี้ไม่ว่ากันนะขอมาอัพด้วย <c oughs> หรือใช้ให้ทำความดีและเสียงดังไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นความดีเนี่ยให้ใช้เสียงปกติโดยเฉพาะสตรีในการโบกเวกวอยวายมันดูแล้ว ไม่สมควรไม่ใช่ไม่สมควรไม่ดูไม่สวยงามลกันเป็นมารยาทที่ดูแย่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านอบีเตือนก็โดยเฉพาะในตลาดเพราะในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีการตะโขนกันเห็นววเกโวยวายทะเลาะกันมากไ้นันท์โไม่นั้นลักษณะแม่ค้าปากตลาดเนี่ยก็อย่าให้เกิดขึ้นในลักษณะของสตรีมุสลิมนะแต่แน่นอนแหละครับการ การซื้อขายถ้าเราต้องใช้เสียงมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะแต่โดยพื้นฐานเนี่ยการพูดโดยใช้เสียงปกติหรือพูดโดยใช้เสียงค่อยเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานของการสนทนาโดยทั่วไปคราวนี้ถ้าเราจะใช้เสียงดังหลักศาสนาว่าไหมแม้ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีนะไม่เรื่องไม่ดีเนี่ยได้ไหมเอาล่ะบอกว่านอกจากผูท้ที่ถูกคมเหงถูกังแก อิลลามซุลิมคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะโวยวายได้ไม่ใช่โดนแล้วก็ชฮ้ยดิ่งไม่พูดอะไรนะโวยวายได้ตามสภาพของเราเฮ้ยมาทำผมอะไรเงี้ยเฮ้ยให้ได้นะพูดคนมาแกล้งเรามาเข้ามาปีนรั้วในบ้านเราจนประจ๊ะใช้เสียงอย่างเบาเลยจนเหรอทำไรล่ะหลอมันคงหนี แต่มันปีนเข้ามาแล้วเอ้ยโวยวายใช่ไหมเออต้อย่างงี่ได้ไม่เป็นไรมันอโมยบ้านมันจะขโมยของแล้ว ม, มันจะทําร้ายแล้วต้องเสียงดังเนี่ยเนี่ยรอบอกนะแต่โดยปกติคนเข้ามาบ้านม่ต้องตะโกนวงเวทเขาก็เลินเข้ามาดีๆแขกใช่ไม่มมันตะโกนเนี่ยแค่นี้นคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยใช้เสียงดังได้โวยวายได้พูดง่ายการละหลาะฮะซามีอันอาลีมาการละลาะ ว่าแกนัน่และและอลลอนั้นทรงรอบรู้ทรงได้ยินถึงสิ่งที่เขานั้นได้กระทำไปนะว่าอินตูบาดูไครัอนอลลอบอกว่าถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยความดีนะเอาตุกฟหูหูหรือจะปิดมันไว้ความดีเนี่ยเปิดเผยก็ได้แต่ต้องมั่นใจในตัวเองนะว่าเปิดเผยแล้วไม่ลอย <c oughs> ถ้าเปิดเผยแล้วรอยขึ้นมาแล้วก็อะไรนะ หลงอยู่ในคำเยินเยอนยอสันเสริญอันนี้น่ากลัวอันนี้แนะนำปิดปิดดีกว่ า, าแต่ถ้าเปิดเผยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นเขาได้ได้ทำนะอันนี้มีผลบุญที่เพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ว่าตุกฟูหู้ปกปิดมันไว้นะเอาตาฟูหรือให้อภัยนะหรือให้อภัยตรงเนี้ย หมายถึงคนที่ถูกอาธรรมด้วยนะจะเก็บมันไว้ในใจฉันเนี่ยถูกอาธรรมมาเป็นปีแล้วแต่ไม่เคยที่จะอะไรนะไม่เคยที่จะไปร้องเรียนกอดีไม่ไปปีปากไม่บอกใครเก็บเรื่องนี้ไว้ร้องทุกข์เกาลออันนี้ได้ไหมทำได้แล้วก็ให้อภัยต่างหากอันนี้อย่างประเสริฐเลยพี่น้องเอ้ยใครที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ ประเสริฐสุดๆเลยถูกอาธรรมปิดปากไว้เงียบแล้วก็ฟ้องอัลลอฮ์แล้วก็ให้อภัยคำ่าฟ้องตัวนี้หมายถึงให้อัลลอฮ์นั้นได้ได้ช่วยเหลือให้ตัวเองมีความเข้มแข็งหรือเราจะเรียกร้องสิทธิของเราตามสิทธิของเราได้ไหมก็ไดไม้มีปัญหาอัลลอฮ์บอกต่อว่าฝอินน ah ัลลอฮะการะฟูวันกัดีรอ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเดชานุภาพครนี้มันมีรายงานอยู่นะครับจากอับดุลแกรีมอิบนุมาลิกอจัสรีบอกว่าเกี่ยวกับอายะนี้เนี่ยมีชายคนหนึ่งเนี่ยด่าท่านอับดุลกกรีมเนี่ยถูกผู้ชายคนหนึ่งด่าท่านก็ด่าไป mm hmm. คนเราเขาเรียกว่าไม่โกงด่าไปด่ากลับไม่โกงกัน <laughs> เท่ากันหรือถูกอาธรรมนั่นแหละแล้วเขาก็โวยวายก็ได้ใช้แบบนี้ดีกว่าทําดูด่าแล้วมันจะดูแย่เขาถูกอาธรรมแล้วเขาก็โวยวายเสียงดังเลยเสร็จแล้วไอคนเนี้ยไม่จบก็เลยทําการกล่าวเท็จใส่คนหนึ่งพอไ น, นี่โวยวายปับ๊บไอ น, นี่กล่าวเท็จใส่เลยปรากฏว่าท่านรสูนเตือนบอกว่าถ้าเป็นตรงนี้ไม่ได้แล้วนะ ถ้าเขากล่าวทิศใส่เราเราจะกล่าวทิศใส่เขาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขามาว่าว่าเราเราอาจจะวยวายขึ้นไปสวนกลับแต่ไม่ได้เป็นข้อทิศไม่ได้คงเป็นการใส่ร้ายเขานะพูดกลับไปนะพูดกลับไปอันนี้ยังอยู่ในอยู่ในเขาเียวอยู่ในรอบในกรอบของศาสนาเพราะแน่นอนมนุษย์เรามันต้องมีตอบโต้มีตอบโต้แต่การตอบโต้เนี้ยไม่เป็นการไปทาร้ายเขานะอ้าว เป็นการเหมือนเป็นการอธิบายป้องกันสิทธิ์ของเรานะครับหรือจะเสียงดังกับเขาหน่อยจะชี้แจงแต่เสียงดังกับกูแหละ <c oughs> เออเสียงดังแหละแต่ไม่เป็นการไปใส่ร้ายศา ส, สนาบอกถ้าใส่ร้ายคืนเมื่อไหรเราก็เป็นเหมือนเขาเนี่นยแหละบาปเหมือนเขาคราวนี้นบีบอกว่าถ้านอูซุนบอกว่าอันมุสตตะตับแบนีมาโกมามากกแหลสองคนที่ด่าทอกันเนี่ย บาปจะเกิดจากคนที่อะไรรู้ไหมคนที่เริ่มสมมุติด่ากันนี่นะไอคนหนึ่งก็ด่าไปอีกคนหนึ่งก็ดา่กนนกดากลับไอคนด่ากลับเนี่ยไม่บาปเออไม่บาปแต่อีคนที่เริ่มเนี่ยเป็นคนเป็นคนบาปบาปจะเริ่มจะเริ่มที่คนด่าก่อนเออแต่ถามว่ามนุษย์เรามันถ้าสอบบัตรได้มันดีแหละแต่บางทีมันเกินสอบบัตรเราก็เลยสวนกลับไปบ้าง ด่าสวนมันไปบ้าง <c oughs> เกูก็มีปากขอมาบเว่ยกูก็มีปากเห ม, มื네อนกันเว่ยเพราะด่าสวนกลับไปเนี่ยศาสนาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณดา่าโต๊ะคุณด่าเขาไปเนี่ยยังไม่บาปนะเพราะบาปมันจะไปอยู่ไอ้คนไอคนเริ่มฟาเลเบดีมินฮูมาแมลัมตาตาดีมัสลูมจะยังอัลลอฮ์จะยั ง, ะะยงไม่คิดบาปกับคนที่ที่ด่า ก, กลับไปยกเว้นว่าไอ้คเนี้หรือการกระทําเนี่ยมันจะไปอาธรรมกับเขา อ๋โหมันไม่ได้ดา่าเราคันมันดา่าคือบรรด่าไปที่ยอนกับมะป่าเขาด้วยโอ้โหอันนี้ย้อนย้อนไกลอันนี้ไม่ได้แหละนี่กลายเป็นมัสึรูมและเป็นการคนที่ถูกไปอาธรรมเขาคืนนะหรือต่อยเขาเลยไม่ด่าเขาเลยนะ<ม>เขาด่ามาพืชเราสวนเปรี้ยงเข้าไปไทำร้ายร่างกายก็เราก็กลายเป็นคนที่อาธรรมเขาเลวเห็นไหมเออนั้นศา ส, สนาเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์อยู่ในการโต้โต้ตอบนะครับอลัลลอฮ์บอกว่า หากเปิดเผยความดีใช่ไหมดูนิดหนึ่งหากเปิดเผยความดีหากเปิดเผยความดีเอาตูฟูอันซูจากอะไรนะจากความเลวใดๆก็นแล้วแต่ตรงนี้อธิบายว่าหากพวกเจ้าเปิดเผยความดีหรือปกปิดมันไว้หรืออภัยให้แก่ผู้ที่ทำไม่ดีแก่พวกเจ้าดังกล่าวนั้นจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยมีความใกล้ชิดกับลอโดยพระองค์จะตอบแทนผลบุญให้แก่พวกเจ้า นะีเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของขอลอคือเพราะพ ร, พรอะองค์ลอั้นเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะเออแล้วอลัลลอฮ์จึงบอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษและทรงเดชานุภาพเสมอด้วยเหตุนี้เองจึงมีรายงานว่าแท้จริงมาริกาที่แบกบัลลังก์ของลอมาริกามีหน้าที่หลากหลายนะหนึ่งในมนาริกาที่ทําหน้าที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่แบกบัลลังก์ของลอ จะกล่าวแสดงความบริสุทธิ์ต่อ Allah ว่าซุบฮานะกาเลาฮิลมิกะบาดะอิลมิกพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ต่อการขันติของพระองค์น ะ, ะนะภาษานะต่อการอดน่ะเขาใช้ภาษาสวยขันติก็คืออดทนนั่นแหละหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงทราบดีนะซุบฮานะกาเลอาฟวิกะบาดะกุดะรอติกนี่กือความนี่คำ ม, มริกากล่าวสรรเสริญอัลลอฮ นะพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ต่อการอภัยโทษของพระองค์ต่อการอภัยโทษของพระองค์และหลังจากพระองค์ทรงสามารถถามว่าเ ล, ลาจะจะลงจะลงโทษใครได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่เรลลาให้อภัยไงสำหรับบ่าวของพระองค์ที่ยังมีเวลาในการกลับเนื้อกลับตัวนะอ่ะข้ดีสุดท้ายนะครับจากอันนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านใหม่นะ มีอยู่สามอย่างพี่น้องครับใครทำได้นะอัลลอฮเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหนึ่งมานะกซอมาลุนมินซอดารกตินการบริจาคทานมิได้ทำให้ทรับลดลงแต่อย่างใดอันนี้แหละที่บรรดาโตครัวอชอบยกกันเนี่ยเวลาขอรับบริจาคมานะกซอซอดาร์กตินมินมาลินเนี่ยนะเออ การบริจาคไม่ทําให้ทรัพย์พร่องลงเอลอสจะให้มันเพิ่มขึ้นและหลายๆอย่างฉันเจอกับตัวเนี่ยพี่น้องนะคือต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าให้เดี๋ยวบริจาคปั๊บหวังคือทําเลยด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยคือคิดแล้วมันจะไม่มีลู่ทางในการที่จะได้มาแต่อยู่ดีมันก็มีขึ้นมาเอองงมากเลยนะบริจาคไปลับๆ น่ะบริจาคไปลับๆวันเนี้ยเรารู้และไม่มีไรายได้ไอ้เงี้ยเรารู้เรามีไรายได้เนี่ยมาสอนหนังสือเนี่ยมีไปบรรยายเนี่ยมีวันเนี้ยวันหยุดฉันไม่มีไรายได้อยู่ดีก็มีคนโทรมาถามคําถามนะแล้วก็ปกติคนมาถามคำถามพ อ, อโทรเสร็จมาไอ้บัญชีมันจะเด้งสตังค์มันเด้งแกโอสถังให้ด้วยหรอเออเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยไม่ได้เอ่ยอะไรสักคำหนึ่งอะไรเลยอยู่ดีใคอใ่อยากให้ครับอกอยากจะให้อาจารย์เ อ, อเป็นสตรก ว่าลูกไม่สบายเออเราก็บอกว่าเราบอกกับอัลลอฮ์นะเราไม่ได้บอกกับคนนะเราบอกกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะส่งคนเนี่ยมาเนี่ยลองทําดูพี่น้องทําแบบไม่ต้องเยอะหรอกครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราว่ามันมีริสกีเข้ามาแบบที่เราแบบมันมาอย่างไงมางงๆนะวันก่อนภรรยาฉันพิมพ์บอกไม่ไม่ไ ม, ไมีไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมา จะมีลูกอีกคนใช่ไหมจะท้องเนี่ยก็มีเจ้านายของคนหนึ่งเ้าให้ของขออกเด็กมาแล้วก็โทรมาหาฉันบอกว่าเนี่ยมีเด็กคนไหนที่เป็นเด็กอ่อนๆมากอะไรบ้างฉันก็บอกก็นี่ไงภรรยาฉันเนี่ยกำลังจะมีคนนึงก็ไปได้รถมาอันหนึ่งพอเขาเจอเท่านั้นแหละเขาก่าวสนส่นๆออลล้อไม่หยุดเลยเพราะรถเข็นนั้นเนะ่ยเป็นรถที่ไว้ใส่เด็กสองคนพอดีพุทุกอย่างออลล้อจัดไว้ให้หมดเลย เลยรถใส่เด็กสองคนเนี่ยไม่จนถูกๆแนนี้เอ้ยแพงเป็นของดีเลยเอารถเตรียมไว้ให้แล้วไม่ได้ขอไม่ได้อะไรเลยโทรมาหาแล้วก็แล้วก็ไม่ไดินัดกันด้วยปรเจ้าอะไรกลับมาเปิดที่บ้านเพิ่งเห็นว่าเนี่ยเอารถเตรียมไว้ให้หมดเลยนั้นคนทํางานศาสนาเนี่ยมันไม่รวยหรอกครับแต่ว่ามันมีอะไรมันมีริสกีที่มาเรื่อยๆที่เอารถจะเขาเรียกว่า ด, าดูแลคนทํางานศาสนาขออย่างเดียวขอให้เราทํา เพื่ออัลลอฮ์จริงๆบริสุทธิ์ใจจริงๆนะและกับพวกเราด้วยนะครับขอให้เราบริสุทธิ์ใจก่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนนะทั้งหมดเนี่ยมันมีแบบนี้ฮะยะดีมากเลยคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยมีคาว่า อ, อาัลลอซักอัลลอซักเนี่ยแปลว่าผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพอัลวาฮาบคดีนไหมอับดุลวาฮาบเนี่ยวาฮาบแปลว่าผู้ทรงให้ผู้ทรงให้ เขาบอกว่าริสกีเนี่ยมันจะมีเรื่องความพยายามเข้ามาแต่การที่เราได้ของบางอย่างที่เราไม่ได้พยายามเนี่ยก็คือการเขาเรียกฮิบะคือการให้จากออลลอ์เช่นเรากลับมาบ้านมีข้าวหมกมาแข ว, ขวนไว้หน้าบ้านเพื่อนบ้านเอามาให้ถามว่าเราขนขวายไหมไม่ได้ขนขวายเลยไม่ได้โทรไปบอกเอ้ยมึงเอาไม่กูนะกูเอาไปซื้อเนี่ยอัลลอฮ์ให้อแบบเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตเรามี เป็นการให้จากอัลลอฮ์ส่วนริสกีมันจะเกิดจากการที่เราไปแสวงหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยรวมเป็นริสกีทั้งหมดนั่นแหละ ท, ทำไมอะ่ะเพราะก็มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่วิธีให้ต่างกันวิธีให้ประเภทแรกคือวิธีที่เราต้องบวกกับ ก, บการขนขวายขนหาอารู้แล้วอัจญามีมาเนี่ยวันนี้ทําขมกอัจยา่าล็อกเวชันหน่อยนะสองกองนะอ่าอ่าอย่างเงี้ยฉันขนขวายแต่ไม่ได้พูดไม่ได้เออไม่ได้อะไรเลยมาถึงมาแขวนหน้าบ้านเลย อย่างนี้เขาเรียกอาการให้จากอัลลอฮฺสุบฮาเนหูวาตาลลไอ้แบบเนี้มันไม่ได้มีเยอะหรอกครับใช่ไหมถูกปะมีทุกวันไหมอย่างเงี้ยอยู่ดีมีคนอดตังมาให้ทุกวันเลยมีหรอกนานๆที่ส่วนใหญ่ที่เราได้มาจากการอะไรแสวงหาไปทํามาชีพมันก็จะมีในะคนที่ได้แบบเนี้ยแล้วอันหนึ่งที่เราได้โดยที่ไม่ต้องแขวนแสวงหาอะไรมรดกมรดกตัวแสวงหาไหมอหมพอแม่ตายก็รวยขึ้นมาเลย เใช่ไหมพอยศตายก็รวยเลยมันมีหลายมีการให้หลายอย่างในรูปแบบจึงมีการแยกแต่ริสกีมีน้ำล้อคือทุกอย่างที่เอาล้อให้มาจากล้อทั้งหมดแต่จะให้ในรูปแบบไหนรูปแบบขนขวายรูปแบบที่ฮิบา้าอ่ารูปแบบซดดโดกจากคนอื่นคือฮิบ้าก็หมายถึงการให้มาจากที่เราไม่ต้องขนขวายเลยอ่าส ก, กาดอย่างเงี้ยมาเดินมาถึงเอา้าดูแล้เอา้าเอา้เอาให้ไปนะ แต่แต่ไอการที่เราไปเจาะจงไปไปขอเนี่ยเสือสนานก็เลยไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนับสนุนจนกว่าเราจะอะไรนะจะแย่จริงๆศิงเสือให้ขอได้แต่ต้องแย่จริงๆคือหมดหนทางแล้วอะไรแล้วเนี่ยถึงจะเอ่ยปาขอแต่ให้เราแสวงหาดสกี้โดยการใช้ใ ช, ใ, ชใช้แยนะ่ใช่ไหใช้หยาดเหงื่อแรงงานในการแลกสตังค์อ่าอย่างเงี้ยฉันมีฉัน ม, ฉนมีฉันก็มีการสอนหนังสือทํานู่ทนทนํานี่ขนขวายแล้วก็มีดิสกี้เข้ามาแต่ทั้งหมด เป็นสวทกอมหมดแนของฉันไม่เป็นไม่เป็นการจ้างเพราะไม่มีการให้อัตราไม่มีมีคนมาถามอาจารย์คิดเท่าไหร่ไม่มีครับแล้วแต่ให้เลยไม่ให้ก็ได้อืมแต่อาจจะนานๆทีนะมาอ๋ อ, อ, อเดี๋ยวอะไรไว้ก่อนคือ <c oughs> <c oughs> ฉันบอกแบบนี้เวลาเราจะใช้งานใครเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขาวิต้นทุนไหมเช่นสมมุติฉันไปนบรรยายงานแรกเลยเนี่ยป้าฉันให้ไปบรรยาย ก็เดินข้ามบ้านไปไปบรรยายต้องต้องลงทุนขับน้ำมงทำไมไม่มีป้าก็ยัดใส่ซองมาฉันก็บอกไม่เอาป้าเพราะว่ามันไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยฉันไม่ให้ความรู้ดีใจให้ป้าให้โอกาสป้าก็จะเก็บซองอีกซองหนึ่งกับโตคุยคนหนึ่งโต้ตคุยคนหนึ่งเข้ามาจากบางบูทองบอกป้าเอาซองฉันได้ให้เขาไปด้วยเพราะอะไรล่ะก็ามาไกลเอออย่างเงี้ยต้องต้องเห็นใจเขาเข้ามาเขาไม่ได เขาเดีอะไรนะเขาไม่ได้มาอยู่แถวนี้เจนก็เลยบอกว่าเวลาเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ดูถึงเขาเดีอะไรแน่ถึงเวลาที่เขาเสียสละมาอันที่สองระยะทางด้วยแต่ถ้าเป็นเวลาที่เขาว่างอยู่แล้วขอวานกันผมว่าม่มีใครไม่มีน้ําใจหรอกมีน้ําใจกันอยู่แล้วยากันอยู่แล้วเอายกโต๊ะให้หน่อยยี่สิบใครจะไปคิดตังค์ก็มากันอยู่แล้วเนี่ยแม่มันคือมันมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอ่ะ นบีบอกว่าบริจาคนะถ้าบริจาคเนี่ยทรัพย์จะไม่พ่อง้องหาลองลองทําดูพี่น้องนะวาลาซาดลอหุอับดานบีอัฟวินอินลาอิซันให้อภัยสิรู้จักให้อภัยคนอัลลอฮ์ะจะให้เขามีเกียรติยิ่งให้อภัยอัลลอฮ์ะจะยกเกียรติเราคนจะคดีอะไรนะเให้เกียรติเราอะ่ะผมไม่รู้จะแปลอะไรคนก็จะแบบเห็นเห็นเห็นเราอะนะออยู่เห็นเราเป็นคนสําคัญคนนึงมีเกียรติ ว่ามันตะว่าบอให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนอัลลอฮฺจะยกเราให้สูงขึ้นนะอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺยกอย่าให้มนุษย์ยกถ้าให้มนุษย์ยกมันยกไม่นานเดี๋ยวมื่อยมันก็ถีบเราลงใช่ไหมให้อัลลอฮฺยกสิทำยังไงอ่ะอนน้อมถ่อมตนนะพยายามไม่ไม่ไม่มีดีกีเยอะนะถ่อมตนอันนี้เตือนตัวเองนี่แหละที่บุญเดี๋ยวเตือนตัวเองต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนนะ เอออ้าวนี่คือสามคุณลักษณะทำได้ง่ายมากหนึ่งบริจาคนะครับไม่ได้มีอัตราบออบริบาทหนึงก็ได้ยี่สิบาทก็ได้นะทำเป็นประจำอันต่อมาให้อภัยกับผู้คนทั้งหลายใครมาทำอะไรไม่ดีเราให้อภัยอันที่สามอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่อวดใหญ่อวดโตบิงนะครับนะนึกในใจเราเร า, เรามีตำแหน่งอันเดียวเลยติดตัวเราอัดุลลอเราเป็นบ่าวขอเหอถ้าเราคิดเป็นบาค้อเราไม่กลายใหญ่กใครหรอกนะนะอ้าว บ 50, 51, ah ันทึกโดยมัมมุสลิมนะครับอ่านต่อนะ551 5อิสะอินนัลลดีนะยกฟูรูนบิลลาฮิวะรุสลอินนัลีนยฟูรนบิลลาฮิวะรุลวายูริดูนัอยูฟ รู้เบญ Allah แลู ب เบญ Allah และรุสุลีและรู้เบญ Allah และรุสุลีและรู้เบญ a l l ن h และรุสุล ب แ ع ะรู้เบญ Allah แบบบบู และก็พูดว่าเราเชื่อในบางสิ่งและก็พูดในบางสิ่งและก็ต้องการและก็ต้องการทีَ่ะเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยวิธีี้ ولئك هم الكافرون حقا ولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أ ُอก و ل َ ع ط ي ه م أجرهم ุล่าอีก ي ه ِ م ุ أ ُ ج ُี و ر َ ه ُ م ْ วกา كان الله غفور رحيم ครับอายะที่หนะึ่งร้อยห้าสิบนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนั่นแลีนยักฟูรูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัท <c> ธ <oughs> า แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะและบรรดารอซูลของพระองค์เขาทำเป็นไงไวอยูรีดูนีไออยูฟา ร, ริกูใบนะอัลลอฮิวรูซูลีเขาและต้องการที่จะแยกระหว่างอัลลอฮ์ใบหน้าแปลว่าระหว่างอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แยกยังไงอ่ะ แยกโดยพวกเขากล่าวว่าบอกว่าไงนุมินุบีบ้าดินเราจะศรัทธาต่อรอซูลบางคนเวนักฟูรูบิบ้าดินและก็ปฏิเสธบางคนคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาทาั้งทั้งที่ก็เป็นอะไร <S 2> <S 2> <S เป็นรอซูลของรอทั้งหมดแต่มีการเลือก นะเลือกคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมบอกได้ไ้ยคนนี้ไม่เอาไม่ได้ของเรานีเขาเรียกว่าศรัท ธ, ธาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็คือตั้งแต่นบีอาดามจนกระทั่งถึงนาบีมุฮัมมัดดังนั้นคนที่เป็นนาซารอเป็นคริสเป็นยะฮูดพวกนี้ปฏิเสธใครอย่างแน่นอน มโมหดเราเนี่ยนบีโมหะสุลต์ละหัวและฮิวเซนแลมเขาปฏิเสธเขาไม่รับเมื่อไม่รับจึงเอาลอจึงเรียกว่าพวกนี้ก็คือพวกอะไรพวกปฏิเสธศรัทธาจะบอกพวกเราไม่ได้พวกเราอะไรล่ะไม่รับนบีเราแต่เราเนี่ยรับนบีเขาเราเนี่ยรับว่านบีซาหรือจะเรียกพระเยซูก็แล้วแต่ชื่อของเขานี่ยนบีซาก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เรารับนบีมูซาเป็นรอซูล นะนะทุกรอซูลที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรานมีชื่อทั้งหมดเนี่ยในคัมภีร์เนี่ยร อ, ร, รองรับเนี่ยมีชื่อทั้งหมดยี่สยี่สิบห้าคนเดี๋ยวจะมีนะที่ไม่อยู่ในคัมภีร์เนี่ยมีชื่ออีกแม้กระทั่งนบีขิดเนีนบีขิดในไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในไม่ได้มีชื่อถูกกล่าวไวใ้ในในคุรานแต่มีเรื่องของนบีขิดอยู่ในในซุลกราฟี แล้วทำไมพวกเราไม่ไม่เอายิ่มห้านบีมีนบีคีรดตด้วยเ พ, พราะอะไรเพราะเอาว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนบีคีรดต ใ, ในในคุรานแต่มีบอกไว้ว่าคนเนี้ยชายคนเนี้ยบอกชื่ อ, อไม่ได้บอกชื่อบอกลักษณะและขดีนาบีก็บอกคนเนี้ยชื่อนบีคีเดตเป็นนบีเห็นไหมอ่าเยอะลูกนบีนัวก็เป็นหลายคนเออหลายคนเป็นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคุรานนะครับอ่ะ นั้นยี่ห้าท่านเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในกุฎานคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าพวกเนี่ยเขาจะเลือกถ้ารอซูลคนไหนสบอารมณ์เขาก็รับคนไหนไม่รับก็ไม่เอาไม่เอาไม่พอนะฆ่าด้วยไล่ฆ่าด้วยวัยูรีดูเนยียยะเตฮิรูใบเนียเลิกาซาบีลาและพวกเขาต้องการที่จะ ย, ยึดเอาในระหว่างนั้นซึ่งทางใดทางหนึ่งนะคราวนี้ ในทับซีดเนี่ยอธิบายแบบนี้ผ <c oughs> มอัพนะครับบอกว่าชาวเยอหูสเนี่ยศรัทธาต่ อ, อนบีของเขาก็คื อ, อนบีมูซาแต่เขาปฏิเสธใครด้วยรูย้ไหมเขาปฏเาิเสธนบีซานะ่ะเยอหูสเนี่ยปฏเิเสธนบีซาด้วย <c oughs> เออไม่ใช่ใค่โมฮัมหมัดนะนบีซาด้วยเพราะไ อ, ตอ้ต้นโตของการที่ ไปฆ่านาบีอิสาที่จับไปเนี่ยที่จะจับไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเราจะเล่าไว้ยาวบึ้นเลยเขาเนี่ยนะเป็นยังไงก็มาจากเยโฮนีิเลเป็นตัวเสียมให้จัดการนาบีอีสาเพราะศาสนายโฮดีเนี่ยเขามาก่อนก็จะมีมูซาเกิดก่อนใช่ไหมมาก่อนแล้วก็มาอีสาแล้วก็นบีมุฮัมมัดแมวอยู่แล้วยาโฮดแมวนาบีมุฮัมมัดต่อมานาซอรอนาซอรอรเนี่ยเขาก็ เขาปฏิเสธคนเดียวเลยนสรอคนสุดท้ายก็คือนบีมูฮัมมัดเพราะนสอรอก็ยังยึดนบีมูซานาบีอีสามันมีอยู่พวกหนึ่งในหนังสือบอกพวกซามิรอเรารู้จักไหมผมก็ไม่รู้จักนะพวกเนี้ยไม่ศรัทธาต่อนบีท่านใดเลยหลังจากยูชะที่เป็นสหายของนบีมูซานาบียูชะาใช่ไหมยูชา่าจาการิยาอยู่ในยี่ห้าปะยูช่าเนี่ย มีไหมแต่ด้วยอันนี้ไม่ได้เขียนไว้อะต่อมาพวกมายูสมายูสเนี่ยพวกเขาเคยมีนบีส่งไปด้วยนะมายูสมายูสนบีชื่อว่าซารอดัสตูแม่ชื่ อ, อยากด้วยนะซารอดัสตูแต่แล้วแต่แล้วเขาก็ปฏิเสธศรัทธาคือนบีมีเป็นแสนนะพี่น้องนะเยอะมากนะครับขึ้นอยู่ว่าจะถูก เขียนไว้ในคัมภีร์โบราณมากแค่ไหนนี่เคยมีสมัยนบีเนี่ยนบีดาดิยานเคยได้ยินไหมนบีเรื่องนบีดาดิยานครั้งหนึ่งนบีครั้งหนึ่งอุมัดสมัยท่านอุมัดแล้วนะไปพิชิตเมืองเมืองหนึ่งไปเจอเมืองเนี่ยมันมีวิหารอยู่อันหนึ่งเขาก็ไปถาม ว, ว่าวิหารเนี่ยมันเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นเป็นที่ พักศพศพแต่ถูกเก็บเอาไว้ในวิหารเป็นศพของคนดีมากเลยเออก็ถามคนที่มีความรู้ของพวกเขาอ่ะเขาก็บอกลักษณะหนึ่งองสามสี่อุมานบอกท่านอุมานบอกว่าน่าจะเป็นนบีท่านหนึ่งชื่อดานิยานดานิยนดานิเอ็นเนี่ ย, น, น, ยออน่าจะเป็นนบีเพราะลักษณะพูดมาตรงบนเลยและรู้ไหมคนเนี้ยไม่เน่าก็แน่นอนนบีไม่เน่านะเหมือนคนหลับ ดินไม่กินนอนอยู่ในวิหารเหมือนคนหลับเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะพวกเนี้ยแต่พอเวลาฝนไม่ตกเขาจะเอ า, าออกมาแหเวลาฝนไม่ตกปั๊บหามศพออกมาแหถ้าเป็นบ้านเราเหมือนนังแมวแล้วทันใดที่หามออกมาปั๊บพอเอาพอไปทันใดฝนก็ตกเลยเอารอดให้อีกอุมา <c oughs> <c oughs> ทาไงดีเออทําไงดี ฮะไม่ได้อยู่ในุรานอันนี้เป็นเป็นตารีที่เขียนเอาไว้ครั้งหนึ่งที่ท่านอุมัตไปพิชิตเมืองและไปเจอศพคนหนึ่งชื่อดานิยานเช็คซาอุดีเราไ้ฟังอยู่ในคลิปมีเขาก็เลยบอกว่าให้ค่ำคืนเนี้ยไปขุดหลุมไว้เป็นสิบหลุมเลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยต่างคนมืดปิดไฟดับไฟให้หมดเลยนะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ที่หลุมบางอันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกระจายไป แล้วก็เหมือนกับว่าทาหอหลอกอะ่ะแล้วไม่รู้ฝังหลุมไหนแล้วก็กบศบใ ห, ให้เกี่ยงเลยอ่าและทุกคนก็เก็บเป็นความลับหมดว่าศพมัยัดเนี่ยอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นไอ้วีหารก็ถูกทำลายไปแล้วศพของนบีก็ถูกฝังเพื่อไม่ให้เอามาเป็นตวัดซุนเก่าล่อป้องกันเอาไว้อ่านี่เรื่องของคือคนเนี่ย มันมีเหมือนกันในพวกสถานที่อะไรแกแต่มันไปติดอยู่ที่คนแล้วไงเอาเนอาศพนบีมาแหแล้วก็นฝนตกแล้วฝนก็ตกจริงจริงด้วยเลยให้ไปฝังเอาไปฝังแล้วไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยก็ไปฝังโดยที่ไม่มีร่องรอยเลยอ่านี่ก็เรื่องราวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับนบีชื่อนบีดานีนดานียานนะครับนบีดานเนียนนะอืมอ่าในตัวอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่เราเนี่ย ถ้ามันอยู่ในอาซาติมันือว่าอยู่ในคำพีกก์ก่อนๆเนีเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นร้อยเอร์เซ็นแต่ว่าโอกาสจะเป็นสูงมากเพราะว่าคุณลักษณะใช่หมดเลยนะอ้าวต่อมาออจุดมุ่งหมายของพวกนี้ก็คือต้องการที่จะที่จะแยกคือเขาบอกรนับถืออัลลอฮ์เหมือนกันแต่นับถืออัลลอฮ์ขอโทษ น, ะนับถืออัลลอฮ์ภาษาอะไรอะคุณปฏิเสธน บ, บีอัลลอฮ์เห็นไหมสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธข้วนี้ a ลล a h บอกต่อว่าุเห ล, ล่าอีกหุ่มุลแกฟิรูนะฮะกอล l l a h บอกชนเหล่านี้แหละคือพูดปฏิเสธศรัทธาอย่างแท้จริงเลยแหวะตาดนาลินแกฟิรีนาแดบัมูฮีนาและเราก็ได้เตรียมการลงโทษเอาไว้อย่างอัปยศแก่ที่พู้ศรัทธาทั้งหลายสรมว่าพวกชาวกัมพีเนี่ยตกนรกไหมแหละรอดไมไม่รอด ก็ s <S <an> ปฏิเสธน บ, บีมูฮัมหมัดของเรานะไม่รอดเหมือนกันนะจะเป็นศาสนาไหนนะในที่มีอัลลอฮ์นะถืออัลลอฮ์เหมือนเราเนะี่ยแต่ว่าถ้าปฏิเสธรอซูลก็ถือว่าเป็นกาเฟตเหมือนกันนะครับ <c oughs> ต่อมา52อัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู at ้ที่ศรัทธาต่อลอว่าเลดีนาอานูบิลลละวารุซุลิฮีและก็ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ วันแลมยูฟา ร, ริกูไบานาหาดิมินหุม้มโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้แยกระหว่างบรรดานาบีของพวกเขาเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจะเป็นยิวเป็นเยาฮูดเป็นเชื้ออาหรับเป็นเชื้อไหนถ้าอัลลอ์แต่งตั้งมารับหมดศรัทธาต่ออัลลอฮ์อูลอกะซาฟนุตีหิมอูจูรอหุม ว่าแกนั่งรอหู้ก่อฟูรถรอหีมาชนเหล่านี้แหละคือชนที่อัเลารถจะประทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาและปรากฏว่าอัลลรถนั้นเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตานีมีห a ด i s บทหนึ่งนะครับพูดถึงบรรดารอซูเนี่ยอัลอัมบิยะอิควัตุลลิอัลละอุมมาฮะตุฮุมชตตา นบีทุกคนเนี่ยนะทุกท่านเนี่ยเสมือนกับพี่น้องต่างบรรดารู้จักไหมพี่น้องต่างบรรดาพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แหมก็คือเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยแหละแต่แค่ต่างกันแค่คนละแม่เองแต่ตระกูลเป็นไงตระกูลเดียวกันคือคนจะนับนามสกุลเนี่ยเขานับที่ใครอะนับที่พ่อไม่ได้นับที่แม่นะสกุลเนี่ยมันสืบกันที่ ท, ที่ที่พ่อไม่ได้นับทางบรรดานะครับนั้นเวลาเขาเรียก เรียกอาหรับก็จะเรียกบินบินเนี่ยบินเนี่ยหมายถึงพ่อนั้นจะ ก, กี่แม่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นลูกพ่อเดียวกันเนี่ยก็คืออะไรพี่น้องทั้งนั้นแหละแค่ต่างแค่แม่เท่านั้นแต่ก็ถือว่าสกุลอยู่ในสกุลเดียวกันอ่ามันจะเป็นใกล้ชิดกว่าพี่น้องคนละพ่อคนละพ่อนี่ถือว่าคนละเหล่านะถ้าแม่เดียวกันนะคนละพ่อเนี่ถือว่าคนละเหล่าแต่ถ้าพ่อเดียวกันคนละแม่อันนี้เหล่าเดียวกันเอองงไหมเออมันต่างกันนะ อือนบีโทั้งหมดตั้งแต่ที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่น้องต่างเม่เท่านั้นแหละเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแค่ต่างมันดานะอ่ะอันนี้คือในฮะดิษบอกเอาไว้อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะครับห้าสิบสามห้าสิบสี่ไหวไหมไหวน่ทำดุดินแล้วพออ่านได้ครึ่งหนึ่งหอบไหวตัวที่ไหว أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ต م يسألوك ิยฺมยัซัลูค่ะัลลุล์คิทับิอัล์ตุนซีล่าัลัยหบส กีดูวย in ัสอาลูกาวิยัสอาลูนะยสอาลูกานะครับเพราะว่าในกุฎานขึ้นยัสอาลูเยอะนะยสอาลูเนี่ยเยอะแต่นี่ยัสอาลูกาเอาใหม่นะยัสอาลูกาลุลกิตาบอัตุนซีละ عليهم กิตาบมีนัซซะ อ่ะหมดลมก่อนตกสมานนี่แหละอ่ะเดี๋ยวฉันเอาเอาสั้นๆให้อีกรอบหนึ่งนะ Yes Aluka Alukita Yes Aluka Alukita อ ن ลลอฮฺนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับนับน ฟ้าก็ได้สั่งลูมูซาอีกบารมี ذ ดี ل ِ ك ก ซาอลูมูซาซาอลูมูซานะอักบารออักบารอนะอีกรอบหนึ่งฟากอดเนี่ยตัวอย่าลืมก้อนละฟกเดซอัลเนะี่ยผมไม่ได้แลนะ้วเนี่ยซาอลูฟากอดซาอัลูมูซาอักบารมี ذ ل จะไปต่อนะใจะยินรอนิดนึงฟาโกลูอรินัลลาฮเจรตัฟาอาคาดฮ์ฮูมุสซัยกอตูบิดุลมิฮิม กกมอ่าหน่วงนะโอเคลูอรินะลลอฮฺเจรตันฟะอะฮัดฮุมุสาอิกอตุบิฎลมิห์มฟะอลูอรินะลลอฮฺเ รา فأخذت الص هم الصاعقة بذل مهم ثم تخذ العجل من بعدما جاءت هم البينات ไอ้รอบหนึ่งนะซุมมัตขดุลไจลัมิมบาดี์มะจาเตหุมัลไบน่ فعفونا عن ذ ل وعفونا عن ذلك و آ ت ي ن ا موسى سلطان مبينا นะว่าเราฟังเนี่ยฟ้าก็หูมุตุรบิมิทักทิ้งว่าเราฟหุบนหหบบสุ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 มาอยู่ข้างหลังนะสีซบแล้วก็มีตัตานิดนึงจะว่าอ้อคนเนาว่าอ้อคนนามินหุมมีทก่อนกอลีซอ นะครับมาดูความหมายนะมาดูความหมายกันอธิษฐานะยัสอาลูกะอาลุลกีแตบและบรรดาชาวคัมภีร์นะหมายถึงคัมภีร์ไหนเนี่ยคัมภีร์ที่ที่อยู่ในสมัยท่านนาบีแหละกำลังพูดถึงชาวคัมภีร์ที่อยู่ในเมืองมา ด, ดินาเนี่ยคือ มันจะมีเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าถึงชาวคัมภีในสมัยนบีมูซาแล้วอัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงชาวคัมภีที่อยู่ในยุคของสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดแต่แน่นอนเวลาที่จะเล่าความเนี่ยก็เท้าความไปถึงก็เป็นการบอกถึงอุบายต่างๆความเล่ห์เหลี่ยมของย a h ูดที่เคยทำกับใครทากับนบีของพวกเขามาแล้ว จึงไม่แปลกใจเลยทําไมเขาถึงมีการวางเล่ห์เหลี่ยมกับ น, นบีมูฮัมมัดของเราขนาดนาบีของพวกเขาเนี่ยเป็นยาฮูดเหมือนเขาเป็นนักเป็นบานาออันนอิสลามเหมือนกันเนี่ยยังยังออกลูกดื้อเลยยังขัดแยง้งยังเถียงยังนู่นยังนี่เลยและนับภาษาอะไรกับนบีมูฮัมมัดที่เป็นคนอาหรับซึ่งพวกเขาเนี่ยเดิมเนี่ยยาฮูดเนี่ยก็ไม่ใช่คนอาหรับนะยาฮูดกับอาหรับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คน เชื้อชาติเดียวกันนะคนละเชื้อชาติกันแต่อพยพมาอยู่ที่อาหรับเมื่ออพยพมาอยู่อาหรับก็เลยพูดภาษาอาหรับแล้วก็ตั้งชื่อตระกูลตัวเองเป็นชื่ออาหรับแต่ยังมีความเป็นเชื้อสายย ahu ดอยู่แต่มันมีการทาลายกรอบไปนิดนึงก็คือมันมีการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้อง อ, อสิ่งหนึ่งที่จะเขาเรียก ว, ว่า ทำให้คนที่มันต่างชนชาติกันเนี่ยอยู่กันได้แบบรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคืออะไรรู้ไหมคือการแต่งงานนะใช่ไหมล่ะมันคือการแต่งงานเนี่ยเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยประสานกันเนี่ยคือแต่งงานเพราะท่านบีก็ใช้การแต่งงานนี่แหละในการประสานความเป็นศัตรูกันด้วยผมจาชื่อภรรยาท่านหนึ่งไม่ได้นะที่คอยบัตนะ่ เคยไปแปลแล้วฉันชื่อไม่ค่อยจําไม่ค่อยเท่าไหร่ภรรยาท่านนาับีท่านเนี้ย <c oughs> เป็นเป็นยาฮูดเลยเป็นยาฮูดเลยและนางก็ถูกยาฮูดที่เป็นผู้หญิงด้วยกันอนะ่ะขว้างฝุ่นใส่หน้าเหมือนกับว่านางอาจจะเป็นตระกูลของนางหรือพ่อพ่อของนางพ่อแม่ของนางเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รบแพ้สู้นับีไม่ได้ก็เลยทําให้คนยาฮูดต้องกลายเป็นเฉลยในเมืองคอยบัตแต่นางเป็นคนดี นางก็ไม่ได้แบบพอนบีพร พ, พอนํานางมาเนี่ยนบีเห็นแล้วว่านางถูกตังแก่นบีจึงเอาตัวเองเนี่ยยืนขวางป้องกันเลยยืนเอาตัวเองขวางเลยแล้วนางก็มาหลบอ่าแล้วหลังจากนั้นพอนางเห็นที่นบีแสดงความปกป้องนางอ่ะนางจึงกล่าวชาดา้าเมื่อนางกล่าวชาด้าเสร็จนบีก็ปล่อยให้เป็นอิสระและนบีกนิกากับผู้หญิงคนเนี้ยเป็นยิฮูดเลยนะ จำชื่อไม่ได้ดูดิเออแต่นบีปกป้องกันปกอาปกป้องเอาเอาตัวรับเอาตัวรับเลยเออคือเครื่องมือการแต่งงานเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมานานแล้วอยากที่จะเป็นฮึมอะไรนะฮึ่มๆกันเขาก็ส่งไปแต่งงานให้มาแต่งงานซะจะได้ดองกันนะสมัยก่อนก็ เ, เป็นอย่างนี้แหละเออคราวนี้ยาหุ้เนี่ย เขาแต่งงานก็มาแต่งการรดับผสมกันไปเหมือนกันแต่ความเป็นยโฮ ւ เขายังเข้มข้นเขาก็จะดูถูกคนระดับมา <c oughs> เป็นพวกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกทะเลทรายอยู่กับแพะอยู่กับแกะเขาเรียกงั้นจริงนะส่วนยโฮ ւ อาชีพหลักของเขาคืออยู่กับตลาดค้าขายและโดยเฉพาะค้าขายแบบนําเข้าเขาเพราะมีพรดพวกอยู่ต่างประเทศนี่เขาก็ไปนําเข้ามาอันนี้ ยัสอาลูยัสไม่ใช่ยัสอาลูยัสอ า, าอลูกะอะฮุลกิตบอันตุนซิลละเลหิมกิตะบะมินัสซามะบรรดาชาวคัมภีขอร้องเจ้าก็ขอร้องต่อนบีมูฮัมหมัดให้นำำําคัมภีฉบับหนึ่งจากฟากฟ้ า, าลงมาแก่พวกเขาเอาลงมาทั้งฉบับเลยจําได้ไหมนบีมูซามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทฉันเคยเล่าไปแล้วในกุรอานที่เอาคัมภีลงมาที่ให้มาริกาแบกออกมามีเกิดขึ้นมาแล้ว นี่จะมาขอให้กับนบีมูฮัมมัดให้เอาคำพีไม่เห็นเลยแบกลงมาเลยให้มาริก้าแบกลงมาอัลลอ์จึงบอกว่าฟากอดยาซะซะอาลูมูซาแท้จริงพวกเนี้พวกเขาเคยได้เคยขอร้องกับมูซาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาแล้วมินซาลิกฟอกอลูอารีนัลลอฮ์ฮะจาระตันคือขออะไรรู้ไหมขอให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นอัลลอ์ ขอให้เห็น ก, กับตาของลอเลยฉันจะเชื่ อ, อขอฉันขอเห็นพระเจ้าหน่อยพระเจ้าของที่มูซาขึ้นไปรับบัญญัติฉันขอเห็นด้วยนะเสร็จแล้วเอาลอทาไงซออีกอตุอัลล อ, อ์ส่งสายฟ้าฟาดลงมาพาเปี้ยงไปไงตายกันหมดเลย น, นนี้เล่าไปแล้วในสุรบะกอร์มีแล้วอ่านไปแล้วในสุรบะกอร์อันนี้เท้าความ ในกุรานเนี่มาย้อนความนิดหนึ่งซุมมัตตะขอดุไวจลามินบ้าดิมาเจอถุมมุนบบยีนัสเนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาภายหลังจากนั้นเขาก็ได้ยึดเอาลูกวัวมาเป็นที่สการะอจําได้ไหมตอนที่นบีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการหายไปกี่วันสี่สิบวันไอ้พวกนี้ปั้นแล้วหลอมแล้วทํา วัวขึ้นมาปั้นอามากราบไหวหลังจากราัฐานอันชัดเจนมาแล้วว่าให้ทำสกสารสสการะต่อรอเพราะพึ่งรอดรอดพ้นมาจากการช่วยเหลือจากเอาล้อที่ให้ข้ามทะเลมาแต่พอพ้นจากภัยไม่นานไอ้พวกนี้ทรยศเอาล่ออีเลียวเห็นไหมสุมมัตมตะรเุมาอันาอันดาลิก ล, ลกาลานั้นเอาล้อก็ให้อภัยนะแต่การให้อภัยนี่คือให้ให้ให้ฆ่ากันนะ่ย ให้ฆ่ากันตายาคือการทำชีริกในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการอาภัยโดยการต่าบัตอย่างเดียวต้องมีต้องต้องฆ่าตัวเองตายหรือให้คนอื่นฆ่าให้ตายวะอาไตนามูซาสุ่นตอนามูบีนาและเราก็ได้แล้วและเราก็ได้ประทานอำนาจอนะัชจนให้แก่มูซาคือมุฮยิซา ต, ต่างๆให้เห็นชัดเจนเลยว่นานบีจริงๆนะัเป็นนบีของลนะ่อดเนี่ยไม่ท้าวเอ๋ยอะไรเอ๋ย ปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นนช่วยเหลือมาต่างๆเนี่ยแต่พวกนี้ยังกล้าที่จะทรยศต่อลอแล้วก็ทรยศต่อนาบีของพวกเขาดังนั้นจะมาขอให้นาบีมูฮัมมัดขอต่อลรอดให้ประทานอะไรนะกัมพี ล, ลงมาจากฟ้าฟ้ากับพวกเขาเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นแหละเออเพราะไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ทําให้กับพวกเขาเหินมาก่อนหน้านี้เี่ยพวกเขาก็ยังทรยศต่อรอดเลยนะครับ วรลฟ้าแนฟเฝวกหูมุด ต, ตูและเราก็ได้เคยยกภูเขาตูดขึ้นจากพวกเขายกขึ้นมาเหนือบีมีแากีหิมเพื่อให้เป็นสัญญาณของพวกเขาแก่พวกเขาของพวกเขาฟักุนนาลาหุมฟักุนแนและหูมุดเดคลูบาบะสุดเจดเดและเราก็ได้พวกเขานั้นเข้าไปในประตูนั้นโดยก้มศีรษะ จำได้ไหมอละให้เข้าประตูเลยกล่าวว่าฮหตต์มันไปอ่านฮินต์อเออแปลว่าขอไพยะโทษต่อลอฮิตต์ตตุนเนี่ยในกุฎานที่เล่าไว้ก่อนห น, น้านี้เข้าประตูเมืองด้วยความสำรวมขอไพยโทษไอ้พวกนี้ก็เล่นลิ้นเปลี่ยนจากฮินทินตตเป็นฮินต์แปลว่าเข้าสารีให้ก้มหัวมันเอาตูดเข้าเออมันเอาตูดขยับเข้าเนี่ยมันมัน มันกวนเออมันกวนการ ล, ล่อเนอะเกินแหละไอ้พวกเนี้ยนะเนี่ยล่อๆไปฟังวากุ้นนะแล้วหุมแล้วตะดูฟิซับแล้วจําได้ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยแหละที่มาขอท่านเนี่ยให้วันนี้ให้เอาัมพีมาให้เนี่ยไอ้พวกนี้วันเสาร์มันละเมิดเอาล่อให้ให้จับปลาได้ใช่ไหมจับได้ทุกวันเนี่ยยกเว้นวันเสาร์วันเสาร์หยุดจับเสาร์ปลาเยอะ มันก็เลยไปดักรอบเอาไว้ต้อนต้อนต้อนตอนให้เข้าไปในกับดักขุดหลุมให้เข้าไปในหลุมปิดกั้นเอาไว้พอถึงหมดวันเสาวเสร็จปุ๊บก็มาจับแต่วันเสาวนี่ไม่ใหญ่จับเนี่ยแต่ต้อนเข้าไปแล้วแค่ค้างเอาไว้ก่อนก็ษตรก็จับทุกวันนั่นแหละดักเอาไว้ก่อนกีบอกดักไว้ก่อนมันมันมันมันเล่เล่เล่กลลอนะเลียมกาลลอเห็นไหม และเราก็ได้เอาสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเขาว่าค้อนามีซาฮุมมีมีซากรมินฮะุมมีซากรอลีรนะก็เป็นการพูดถึงความดื้อดึงของชาวยิวในสมัยนบีมูซานะนั้นขนาดนาบีที่เป็นเชื้อชาติเขาเองเขายังดื้อขนาดนี้และนับราสาอะไรกับ น, นบีมอมัดที่ไม่ใช่เชื้อชาติเขาเป็นคนอาหรับ มันก็ต้องดื้อมากกว่าเห็นไหมมันก็ต้องดื้อมากกว่าขนาดพวกกันเองยังเอาเลยเห่นไหมดังนั้นเอาล่ะจึงเล่าถึงเล่เพทุบายของพวกยาฮูที่เคยทํากันนบนบีมูซาและฉันบอกไปแล้วว่าน บ, บีมูซาน บ, บีอิสาน บ, บีมุฮัมมัดนั้นต่างก็เป็นพี่น้องกันท่านนั้นเล่แค่คนละต่างบรรดานะดังนั้นไอ้ข้ อ, อ้างที่พยายามบอกว่าเราเอานั่นมาสิเราเราจะศรัทธาเอาไอ้นี่มาสิเราจะศรัทธาเนี่ย <c oughs> จึงเป็นแค่เล่เพทุบายของยาฮูเท่านั้น นะครับอวันนี้สุขภาพฉันไม่ค่อยดีมีไอๆด้วยขอประมาณนี้และกันนะเท่านี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวยังมีงานอีกนะก็ทำ น, นี่ละนะครับนะอย่าใจากุ ม, มลรอหุ่คอยรอนนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของนบีอีซาใครพอจะรู้เรื่องนบีอิสาบ้างไหมที่ไหวถูกตึงเนี่ยใครเป็นคนถูกจึง่ง เป็นทาหารหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในในคนที่อยู่ในนบีอีสาเป็นคนตืถูกตึงเออแน่นอนไม่ใช่นบีอิสานาบีอสาถูกยกไปแล้วใครอะไเป็นคนถูกตึง อ, อ่าเราเคยได้ยินว่าเป็นทหารใช่ไหมฉันก็ได้ยินว่าเป็นทหารจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวตงไปดีนเขาหน้าไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนัน่นแหละเออเนี่ยเดี๋ย ว, ยวมีมีเล่าละเอียนหมดเลยเป็นขั้นตอนต่างๆเลยแล้วพนางมัตยามอยู่ตรงไหนยังไง เนี่ย เ, เราเราเราอาจจะไม่ได้เรียนตรงเนี้ยเนี่ยวันนี้เราจะได้เรียนแบบละเอียดเลยว่านบีอิซาถูกยกขั้นตอนไปยังไงและจะลงมาตอนไหนอย่างไรนะครับอ่าไว้คราวหนาาว้าอิชัละนะสุบฮานะกัลลอฮุมะวิฮัมดกาอลอิละฮิอิลลาอันตสตัฟรกวะตาัลมานัยกุมเราะห์มุตุลลอฮฺอบาระกาตู